แต่มันก็เป็นชีวิตจริงๆประเภทหนึ่งเหมือนกับคนเรานี่เองถ้าหากเราพยายามศึกษาจะข้อเท็จจริงและจากหลักฐานในคำพีให้หมดข้อสงสัยในเรื่องเหล่านี้ซะก่อนความงมงายก็จะไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อมีเวลาจึงค่อยศึกษาในรายละเอียดแต่นั่นย่อมหมายถึงว่าเราต้องมีพื้นพอที่จะศึกษาและวินิจฉัยเรื่องเหล่านี้ได้ว่า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 ตเตลิอดออกนอกทางไปกันใหญ่ข้าพเจ้าคิดว่ากุตตพ์ดังต่อไปนี้อาจจะเป็นเครื่องเตือนสติได้เป็นอย่างดีมนุษย์ส่วนมากในเมื่อถูกภายคุกขามหรือเกิดความกลัวหรือต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นต้องการลูกเป็นต้นก็มักพากันไปยึดถือเอาภูเขาป่าไม้อาราม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 และเห็นแจ้งซึ่งอริยสัจ ส, สี่ด้วยความเข้าใจอันถูกต้องกล่าวคือเห็นแจ้งซึ่งทุกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และอริยามรคมีองค์8อันเป็นทางให้ถึงซึ่งความดับทุกข์สิ่งนิลาเป็นที่พึ่องอันเกษมเป็นที่พึ่องอันสูงสุดเพราะคนใดได้อาศัยสิ่งนี้เป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้และอีกแห่งหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอัปปันนกสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่13หน้า 101-102 ถึงว่าดูก่อนขหบดีทั้งหลายมีอยู่สมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 1. การให้ทานไม่มีผล 2. การบูชาไม่มีผล 3. การเคารพนับถือไม่มีผลส ผลและวิบากของกรรมดีกรรมชั่วไม่มี 5. โลกนี้ไม่มีคือเห็นว่าสัตว์ในโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้ไม่ได้เพราะตายแล้วศูนย์ 6. โลกอื่นไม่มีคือเห็นว่าสัตว์ในโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นไม่ได้เพราะตายแล้วศูนย์ุณของมารดาไม่มี 8. คุณของบิดาไม่มี 9. พวกโอปปปาติกะไม่มีคือเห็นว่า พวกผีและเทวดาไม่มี 10. สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุธรรมอันชอบคือบรรลุอภิญญามรผลและนิพพานกระทําให้แจ้งด้วยตนเองซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยอภิญญาแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยไม่มีคือเห็นว่าผู้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ไม่มีหรือผู้ที่สําเร็จอภิญญาสามารถที่จะรู้เรื่องนรกสวรรค์ และสามารถที่จะมีหูทิพตาทิพเห็นเจรจาติดต่อกับโอปปปาติกะได้และมีอิทธิปาฏิหารอื่นๆอีกไม่มีเพราะผิดวิสัยธรรมชาติดูก่อนท่านขหบดีทั้งหลายสมณพราหมเหล่าใดมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้สมณพราหมเหล่านั้นเป็นอันหวังได้ว่าจะต้องเบื่อหน่ายในกุศ ล, ลธรรมสาม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 เป็นผู้ประกาศอาศัตรธรรมและด้วยอาัตรธรรมที่ตนเองประกาศออกมาเช่นนั้นย่อมจะเป็นเหตุให้ยกตนข่มคนอื่นอีกด้วยอาัตรธรรมไม่คงทนต่อการพิสูจน์และผู้ประกาศอาศัตรธรรมใจย่อมไม่สูงฉะนั้นเมื่อถูกขัดค้านก็มักจะใช้วิธีข่มผู้อื่นเพื่อเอาชนะและย่อมละศีลดายง่าย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 ก็นับว่าปลอดภัยไปแต่ถ้าหากปรโลกมีจริงคนที่ทําบาปไว้ตายไปแล้วก็จะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกหรือถึงแม้จะไม่พูดถึงเรื่องปรโลกแต่คนที่มีความเห็นผิดเป็นผู้ทุศีลก็ย่อมจะถูกวินยูชนตีเตียนในโลกนี้เองเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นผิดจึงต้องประสบผลร้ายถึงสองทาง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 การไม่เชื่อว่าโอปปปาติกะมีเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงเพียงไรตามหลักในคำภีกล่าวว่าคนที่มีมิจฉาทิฏฐิทั้งสิบอย่างและถอนออกไม่ได้นั้นก็เป็นการแน่นอนว่าจะไม่สามารถไปสวรรค์ได้และจะบรรลุถึงนิพพานก็ไม่ได้ซึ่งก็หมายความว่าคนที่มีมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้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 และถ้ายัางไม่รู้แจ้งอริยสัจยังไม่รู้สึกว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ยังไม่คิดที่จะกล่อมกล่าวตัณหาของตัวเองให้ดีขึ้น mm. ก็พูดได้เลยว่า mm. เขาไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เลย mm. และ ว, วิธีที่จะทำให้เรายอมรับว่าตัณหาทำให้เกิดอีกนั้น mm. ก็มีอยู่วิธีเดียวที่จะทำให้เราหมดข้อสงสัยใดๆคือ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 เป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวทัในความฟันอาจเรียงร้อยกันจนดูซับซอนแต่ความจริงมันคือผลนถ้าจากใจเธอที่แท้จริง ไม่ได้รู้ยังไรกความจรงขึ้นมาไมใชแค่เพียงภาวงตายัางมีสุขใจสุขกายเหมือนกันแม้นนความฝันรบสวรรค์ที่ใจอยู่ที่ไหนไม่ไก ล, ลกลไกลเธอทุกคืนเธอ ได้เแต่ทุกครั้งเธอไม่สนใจเองแต่วันที่เธอไร้ร่างกายจดสุดท้ายาเธอเหลือแค่เพียงใจไอลองคิดเธอจะไปไหนเปรียบคล้ายเทียตอนระฟันร่างหนึ่งจะนอนหลับไหลกับอีกร่างกายจะในความฝัน ใก้สุดกายเหมือนกันแต่ในความฝันรบสวรรค์ของใครอยู่ที่ใจต่างกันเหมือนฝันไปเป็นเรื่องเป็นราวมากมายจะดีร้ายหงดงามนา่ากลัว